หนึ่งร้อยยี่สิบผู้รู้ผู้ตื่นคือตื่นชาคระจากอะไรอย่างไรตั้งสติการทำปัญญาให้แจ้งกันบ้างเถิดอย่าเอาแต่ยึดยึดยึดทั้งทิศถุปาทานก็ยึดกันแน่นทั้งศีลรับพัตตุปาทานก็ยึดเหนียวหนึบ ยิ่งอัตวาทุกปาทานก็ยิ่งยืดกันไปลมลมลรงๆงไม่เข้าใจกันด้วยสามวาตนยืดได้ก็แต่อัตวาทะคือยืดได้แต่คํากล่าวการพูดเท่านั้นว่าอัตตาอัตตาอัตตาแต่แท้จริงยังไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริจงสภาวะกันเลยว่า สภาวะจริงๆของอัตานั้นเป็นไฉนมีอยู่อย่างไรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่ในทิฏฐิ62นั่นแหละหรืออัตตาสคือโอราลิกะอัตตานั้นไฉนมโนโมยะอัตตาเป็นอย่างไรจนถึงอรูปรอัตตาขั้นปลายสุดจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้ สำหรับกามุปาทานนั้นไม่ต้องพูดเลยรู้กันดีแต่เต็มใจจมอยู่กับกรามการทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสียสีหรือจมอยู่กับความใครอยากได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้สุขที่เป็นโลกีทั้งหลายเต็มสถาบันศาสนาก็นเห็น ตื่นขึ้นมาจากหลงไหลกันบ้างเถิดสถาบันเราก็เคารพครูบาอาจารย์ทั้งโบราณปัจจุบันเราก็เคารพแต่สัจจะ น, นั้นน่าจะเข้าถึงให้จริงให้ได้เราไม่ได้ลบหลู่สถาบันหรือบรรดาอาจารย์เลยเพียงแต่เราประสงค์จะให้เข้าถึงสัจธรรมการจริงๆเป็นเป้าแท้ จะได้เกิดประโยชน์แท้จริงกอบผู้าศาสนาขึ้นมาได้จริงกันบ้างพากันหลงเลอะน่าสงสารมานานแสนานานแล้วคนที่ชื่อว่าผู้ตื่นชาคราไม่ได้หมายความว่าแค่คนนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาจากการหลับพักกายแต่เป็นผู้มีความตื่นรู้พร้อมด้วยสติ เต็มทำงานกับอายตนะหกเป็นชาคริยานุโยคะหมายความว่าภาคเพียนทำความตื่นให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นจากโลกียารมที่สนหลับไหลลุ่มหลงอยู่นั่นทีเดียวไม่ใช่แค่ตื่นจากนอนหลับเท่านั้นยาหลับไหลไปกับสถาบันกันจนหลงไหลคลั่งใครกันนัก สถาบาันพุทธศาสนายังอยู่ในศีลในสัจธรรมกันดีอยู่หรือตื่นขึ้นมาตรวจ ด, ดูความจริงที่เป็นภายนอกที่ห้อมล้อมอยู่ทั้งหลายดูดีๆเถิ ด, อ, ดอย่าเอาแต่จมอยู่กับอารมณ์ฝันอันแสนสวยแสนสุกกันอยู่กับโลกียธรรมที่พรั่งพร้อมของตนเอง จนไม่รู้จักความจริงศัจธรรมตามความเป็นจริงกันนักเลยไตรตรองกันดีๆว่าศัจธรรมคือาศาสนาหรือสถาบันคือาศาสนาหรือบรรดาอาจารย์คือาศาสนาอะไรคือาศาสนากันแน่ธรรมทิฏฐินี้ให้แจ้งกันดีๆเถิดลดละอัตตากันเสียบ้าง ยิ่งใครยังเอาแต่หลงหนักมืดอยู่กับลาบยศสรรเสริญโลกียสุขตกเป็นธาตุมัวเมาดำริขนาถูกบำเรอบำรุงด้วยลาบยศสรรเสริญสุขสบายถูกศิลบนหรือลัทธิประชานิยมสะกดจิตเอาจนกลายเป็นธาตุซื้อที่แสนเชื่อง ก็จงรู้ตัวเองบ้างเถิดสลัดแอกให้แก่ตนเองบ้างนี่คือทิฏฐิบทแรกที่จะต้องตื่นชาครเลิกงมงายตายซากอยู่กับลัทธิโลกีนิยมทุนนิยมเลิกงมงายตายซากอยู่กับลัทธิจิตนิยมเทวนิยมอา ต, ตานิยมวัตุนิยมกันให้ได้เสียทีเถิด มันจะเสียหน้าเสียศักดิ์ศีเสียผู้เสียคนอะไรกันนักหรือที่จะเป็นผู้หรือสุดตัวว่าเราหลงเป็นธาตุอยู่ในดงแดนแห่งมิจฉาทิฐิ